ใช้งานไม่ได้เต็มที่บางโอกาสบางโอกาสก็ใช้งานได้สำหรับงานกรรมฐ า, านงานปฏิบัตินี่ใช้ได้ทุกโอกาสเพราะมันเป็นสูตรที่เป็นอัตโนมัติไม่เหมือนกับอย่างอื่นการปฏิบัติทำนี่การสอนธรรมะนี่ ก็ผู้ใหม่ผู้เก่าก็ฟังได้มันเป็นสูตรตันเดียวเหมือนกับเราเรียนหนังสือเริ่มต้นอ น, อนุบาลกอไก่ขอไข่ไปแต่ว่ากอไก่ขอไขน่น่มันก็ยังอ่านได้ตลอดรู้ความหมายเป็นภาษาที่ขาดไม่ได้มันเป็นสูตรของของภาษา ภาษาที่มันเป็นสูตรของชีวิตโลกก็มีภาษาอ่านได้ตลอดอ่านได้ตลอดไม่มีจนมีสติเห็นกายมีสติเห็นเวทนามีสติเห็นจิตมีสติเห็นธรรมอ่าน อ, ออกไม่ไปเอาสุขไม่ไปเอาทุกข์เพราะกายไม่ไปเอาสุขเอาทุกข์เพราะเวทนาไม่ไปเอาสุขเอาทุกข์เพราะจิต ไม่ไปเอาสุขเอาทุกข์เพราะทำที่เป็นกุศลหรือกุศลที่มันเกิดแล้วเกิดติดเวทนามันก็เกิดแล้วก็ติดกายมันก็มีอย่างนี้กายมันก็มีอย่างนี้ ม, นมนนันเป็นกายานุปัสสนามันก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแม้เราจะรู้เราไม่รู้มันก็แสดงอยู่นี่กายเราไม่หลงแล้วเกี่ยวกับกายเราไม่หลงเราอ่านด อ, อก มันเกลอหนังสือภาษาที่เราอ่านได้แล้วมายัางไงก็อ่านได้วางคนแก่แก่ภาษาไทยเขียนยังไงก็อ่านได้ดางคนที่แก่ภาษาเขาไปเอาภาษาโบราณโบราณมาเขาอ่านได้เขาอ่านได้เขาอ่า น, าานหรือภาษาที่เขาเขียนเองเขาอ่านเอง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 ผู้เก่าก็ทํำมันเดียวผู้ใหม่ก็ทํำมันเดียวแต่ว่าผู้เก่าเนี่ยบางทีมันเก่าแบบไหนผู้ใหม่มันใหม่แบบไหนผู้เก่าก็รู้แล้วว่าอย่างนี้รู้แล้วว่าจย่างนี้ผู้ใหม่มันจะเอะใจเอะทาไมเอะทาไมทําไมจึงเป็นอย่างนั้นทําไมจึงเป็นอย่างนี้นเรยว่าผู้ใหม่นะ จะต้องคิดจะต้องเสียเวลาจะต้องเ อ, อ่อไปอยู่กับอาการต่างๆ ท, ท, ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใ จ, ท ำ, จทำไมจึงเป็นอย่างนู้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้นะแล้วผู้ใหม่ถ้าผู้เก่าไม่มีควาว่าทำไมมันก็เห็นแล้วรู้แล้วรู้แ ล, ลแล้วนะเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจรู้ลแล้วทั้งหมดเลยรู้แล้วรู้แล้วนะ กายเขรู้แล้วเกี่ยวกับกายก็ารู้แล้วทําได้ดีทําได้คล่องคล่องตัวชํนชนานิชานาญเกี่ยวกับจิตใจก็ารู้แล้วนะคล่องตัวชํนชนานิชานาญสิ่งต่างๆที่มันอาการต่างๆธรรมาชาติต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับจิตรู้แล้วชํนชนานิชานาญเรียกว่าผู้เก่าถ้าผู้ใหม่นะผู้ใหม่ก็ยังเป็นอะไรนิด เป็นผู้หลงเป็นผู้ลูเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกเป็นผู้อะไรต่างๆยังเป็นยังมีทํำไมยังเอะใจอ่าเรียกว่าใหม่เรียกว่าใหม่แต่ทาให ม, ม่มันก็เพื่อให้มันเก่าถ้าตึงก็เพื่อให้มันหย่อนถ้าย่อนก็เพื่อให้มันตึงมันมีอยู่นั้นถ้าหลมก็เพื่อให้มันรูต่อทุ ก, ก็เพื่อให้ไม่ทุก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 ทางออกของกิตนี่คล่องที่สุดเลยทางออกของกายบางทีต้องมีวัตถุที่หนึ่งที่สองที่สามีผู้คนมีอะไรต่างๆช่วยเหลือช่วยเหลือแต่ทางออกของจิตเนี่ยอั ต, ตเถ ต, ตโนนาโถพึ่งตนได้1 0อยพันเปอร์เ็ยกไว้ก่อนเรื่องของกิตเอาไว้ก่อนมาก่อนถึงก่อนจะเกิดอะไรก็ตามภายนอกภายในมาก่อนถึงก่อน ในความรู้สึกมนความเราเลือกได้ถึงก่อนเจ็บปวดก็ถึงกิดก่อนกิดที่จะต้องไม่เป็นอะไรตกทุกข์แดดร้อนหิวกระหายอะไรก็ตามกิดถึงก่อนไม่ใช่ถึงแบบถูกถูกเก็บถู ก, ถ ก, ถกปวดมันถึงแบบไม่มีอะไรมาก่อนไม่มีอะไรี่ถ้าเราฝึกมนาะ ถ้าเราไม่ฝึ ก, กจิตก็ถึงก่อนถึงแบบถึงแบบรับถึงแบบรับเป็นเป้าเป็นเป้าสุขก็ถึงจิตก่อนทุกข์ก็ถึงจิตก่อนหลงก็ถึงจิตก่อนได้ก็ถึงจิตก่อนเสียก็ถึงจิตก่อนว่าเป็นเป้าถ้าผู้เก่าผู้ปฏิบัติธรรมผู้ช ำ, น, ชำนาญ มันก็ไม่มันไม่ไม่เป็นแบบนั้นสุขก็ไม่ทังกิจทุกข์ก็ไม่ถึงกิจแต่ว่ากิจมันไม่มันไม่เป็นอะไรไว้ก่อนไม่เป็นอะไรไว้ก่อนไม่เป็นอะไรว้ก่อนตั้งไว้แล้วตั้งว้ดีแล้วมันคงแล้วอย่างนี้นมันฝึกแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ได้อะไรมันไม่แต่เห็นแจ้งตามความเป็นจริง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 ไม่หาไม่แสวงหาเวทนามันเกิดเป็นเวทนาธรรมชาติธรรมอาการของเขามันเวทนาล้วนๆไม่มีอุปทานไม่มีความหลงในเวทนาบางทีเราไม่ได้ศึกษาเวทนาไปป้นเอาไปข่มขืนเอาไปซื้อเอาเป็นสุขพราจินเหล่าเป็นสุขเพรสุภุรีเป็นสุขพร เ, ขเที่ยวเตะเล่ล่อน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 อารมณ์ไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่อารมณ์คนละเรื่องกันแล้วคนละเรื่องกันแล้วลื้อแล้วที่จะให้อารมณ์มาแสดงบนจิตใจที่เป็นสุขเป็นทุกข์ที่เป็นโกิด เ, เป็นลบเป็นหลงเป็นอารมณ์เป็นลอกเป็นชังลื้อแล้วนั่นะแต่ไม่ลื้อตรงนี้มันก็ไม่เรียบ ยังมีการแสดงอยู่เพราะมีสติมันมันไม่ไม่หลอกเวทนาก็ไม่หลอกกายก็ไม่หลอกจิต ก, ก็ไม่ได้หลอกเป็นจิตล้วนๆเป็นจิตที่ไม่มีอะไรหอบหิวไปใช่เป็นจิตที่บริสุทธิธ์เนี่ยคำว่าจิตเนี่ยจิตตาลุปัสนา ลื้อแล้วที่จะให้อารมณ์มาแสดงบนจิตเป็นสุขเป็นทุกข์ธรรมที่มันเป็นสิมาครอบงาเป็นความงงเมาเมานอนเป็นกุศลเป็น อ, อกุศลเป็นความสุขปิติอะไรก็ตามเห็นสุขอยู่ในธรรมสุขทุกข์อยู่ในธรรมเราลื้อแล้วนะ เพราะว่าทรเนี่เป็นของละเอียดของข ว, า ก, วากายขวเวทนาว่าธรร ม, มันเป็นคู่ของอารมณ์ของจิตความรู้ความไม่รล้ความสุขความทุกข์ก็เป็นธรรมะเดียวกันนะเราจะว่าแล้วเวทกายก็ดีเวทนาก็ดีจิต ก, ก็ดีธรรมก็ดีมันเป็นการแสดงของอาการต่างๆ มันถูกหมดทั้งทั้งหมดเลยทั้งสี่อย่า ง, ง, างกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีเป็นการแสดงที่เราไม่ค่อยเห็นไม่ถ้าไม่มีสตินะพอเรามีสติจะเห็นอาการที่มันแสดงมันก็เกิดปัญญามันก็เกิดยานทะลุทะลวงข้ามล่วงข้ามล่วง จากกายข้ามร่วงจากเวทนาข้ามร่วงจากกิตข้ามร่วงจากธรรมไปเห็นรูปธรรมไปเห็นนามธรรมไปเห็นรูปธรรมไปเห็นนามธรรมก็สรุปสรุปกายสรุปเวทนาสรุปกิตสรุปธรรมลงเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมมันทำให้ยึดหลักฐาน ทำให้เกลี้ยงลงไปอีกเหมือนกับเราถูบ้านหรือเรากับใสกบขัดกระดาษทรายขัดกระดาษทรายจาบละเอียดลงไปอีกเกลี้ยงไปเลยน ะ, ะมันก็ถากขวานถากขวานเราก็กบใสกระดาษทราย เกลี้ยงลงไปนะบุเบิกเท่แรกก็สติเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเป็นรูปเป็นล่างเป็นรูปเป็นรูปศีลรูปสมาธิรูปของปัจจาหรือเป็นแสงสว่างเป็นกระแสเห็นทิศเห็นทางนะ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 มันร้อนเป็นมันหนาวเป็นมันเจ็บเป็นมันหิวเป็นมันปวดมันเมื่อยเป็นเพราะมันเป็นน้ำอ้าวเวทนาก็ไม่ต้องว่าละบัดเนีเป็นอาการแล้วบัดนี้แต่ก่อนเรียกเวทนามันปวดมันหนาวมันร้อนมันหิวมันล้อนเรียกว่าเวทนาบัดเนี้มาเรียกเป็นอาการภาษาที่เรียกเอาเองคนอื่นเรียกเรียกไม่ถูก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 ไม่เสียเวลาคำว่ากายไม่เสียเวลาคำว่าเวทนาไม่เสียเวลาคำว่าจิตไม่เสียเวลาคำว่าธรรมเป็นย่อๆรือว่าธรรมชาติและอาการถ้าเกี่ยวกับกายกับจิตเกี่ยวกับรูปกับานาม้มเกี่ยวกับรูปทวมนะ้ำเน่ยเป็นธรรมชาติเป็นอาการใช่คล่องใช่ง่ายดีสะดวกดีถูกต้องจับประเดีวถูกท้องผล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 ได้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนน่าเหมือนพ่อค้าขายปอขายมันขายอ้อยพ่อค้าขายปอขายมันขายอ้อยเอาลดสิบล้อไปได้เงินน้อยๆหรือบางทีพ่อค้าที่เจ๋งจริงๆสมัยล้ม่อเทียนท่านพูดให้ฟังคอเทียนเป็นพ่อค้านั่งกินกาแฟนะนั่งกินน้ำชานั่งกินกาแฟ เดียวก็ได้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วเราบอกว่าฝ้ายอยู่ในนั่นเท่า น, นั้นตันฝ่ายอยู่ในนี่เท่านี้ตันฝ่ายอยู่ที่โน่นเท่านี้ตันพูดกันสองสามคำกับพ่อค้าเหมือนกันก็พูดกันแล้วก็จ่ายเงินให้กันก็ไปเอาฝ่ายคนที่ขนฝ่ายก็เป็นคนอื่นคนที่ช่าง น้ำหนักก็เป็นคนอื่นเข้าถึงตัวเงินเลยไม่ต้องไปขนไม่ต้องไปชั่งเพราะมันสมองปัญญามันต่างกันไม่ต้องไปขับรถไม่ต้องไปนั่งเสียเวลานั่งกินกาแฟาแก้วเดียวก็ได้เงินเหมือนเงินแสนเงินร้อยเงินพันหายากเงินหมือนเงินแสน نت, หาง่ายเราก็เทียนพูดให้ฟัง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 ทำมันเดินมันก็ไม่เหมือนกับกายกับจิตเช่นปลูกไม้กว่าที่จะพ้นอันตรายก็ต้องลดน้ำต้องดูแลดาย่าจึงเจริญเติบโตแต่ว่ากายใจนี่พ้นง่ายกว่าอย่างอื่นความหลุดพ้นมีอยู่ที่กายที่จิตไม่ไปเอะใจไม่ไปหลงสุขหลงทุกข์นะเนี่ยไม่ไม่ไปหลงสุขหลงทุกข์ ไม่ไปหลงหรอกคาว่าไม่หลงเนี่ ย, ม, ยมันก็เก้งใหญ่แล้วเสร็จแล้วคพราะว่าไม่หลงนะออกหน้าออกตาออกหน้าออกตาก็าไม่หลงมาก่อนสติสมชัญญาณมาก่อน <c oughs> เอาไปเอามาเมื่อเห็นโูกเห็นนามเห็นธรรมชาติเห็นอาการเล้วก็ไปลูก ทุกข์กลัวอะไรที่มันเป็นทุกข์น่อตรงกันข้ามคําว่าทุกข์เนี่ยโชว์โชว์โชว์มาว่าทุกข์น่ยอะไรก็ตามคําว่าทุกข์เนี่ยเขาโชเขาโชว์ขึ้นมาเพื่อให้เราเห็นไปเห็นทุกข์กระดับทุกข์วันพระพุทธเจ้าเทศนาเห็นทุกข์แต่ว่าเห็นอิเลสสัตเป็นของจริงอย่างเปิดเผย อดียสัตว์รก็เห็นทุกข์ทั้งแหละทุกข์ที่เป็นทุกข์อะไรก็ตามโชเราก็เห็นของจริงถ้าไมเห็นทุกข์มันก็มันก็ดอบทุกข์ไม่ได้พระพุทเจ้าตัดสลู้อยู่บนทุกข์ก็ได้ถ้าไม่มีทุกข์ไม่มีพระพุทธเจ้าแต่ว่าผู้ที่ไม่ศึกษามีทุกข์ทำห้เกิดเป็นปุถุชน มีทุกข์ทำไมเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็น เ, นน ล, เ, นเนละชานแต่พระพุทธเจ้ามีทุกข์ทำไมเกิดเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสัตว์รู้อยู่บนทุกข์ความทุกข์บรรโฉภาวะทุกนิสเรณทุกข์อาการทุกข์แต่ก่อนเป็นเรื่องของเราเป็นทุกข์ไม่รู้จัก เห็นทุกข์ก็ไปเก็บไปปวดกับความทุกข์กับความสุขพอมาเห็นโูภเห็นนามเหรอเห็นความทุกข์ที่มันโชว์สนุกสนุกที่สุดเลยกระตือรือร้นถ้าเป็นความทุกข์แล้วก็ถ้าเห็นทุกข์ทีใดก็เห็นเหตุก็ทําเหตุทันทีมันหลงหรือก็ต่เต็มทุกข์ก็มันก็เห็นความหลงก็มันก็สร้างความรู้ เอาไปามาก็มันก็เป็นคู่กันทุ ก, ก<ภ><ภ> เ, ปเป็นเหตุทุกเป็นผลหลงเป็นเหตุหลงคือตัวสมุทัยไม่ใช่เราจะทุกไม่ใช่เราจะโกรธไม่ใช่เราจะเลกจะชังมันมีตัวหลงมันเป็นตัวสมุทัยมันก็ได้สองอย่างเป็นเหตุเป็นผลทุก Salesforce. เป็นผลหลงเป็นเหนตุพระพุทธเจ้าจังว่าสมุทัยเป็นเหตุ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 การเห็นทุกข์เป็นการเห็นอย่างประเสริฐไม่มีอะไรที่จะเห็นทุกข์ให้เป็นสมน้ำหน้าความสมน้ำหน้าของชีวิตเราคือทุกข์เราได้เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เดีโอ้ยมันมีฝีมือมันมีฝีมือเห็นทุกข์เปลี่ยนไม่ทุกข์เห็นหลงเปลี่ยนไม่หลงอ่ะมันเป็นฝีมือของนักปฏิบัติมันเป็นฝีมือของผู้ปฏิบัติธรรม มันไม่เปลี่ยนอย่างอื่นถ้าจะเรียกว่ามันมันดีนะเนาะมันมันดีเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกโอ้ยดีมากแล้วมันก็สมน้ำหน้ามันถึงอกถึงใจฮนะแล้วก็เรื่องต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกับกายกับใจก็ก็สแสดงบางอย่างก็ ถ้าเป็นทุกข์บางก็บางอย่างก็หล่นไปเลยเหมือนกับต้นไม้ลูกไม้เทมันยังไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเลยพอเขย่าต้นนิดหน่อยก็หล่นไปเลยทุกข์บางอย่างหล่นมันรล้วมันเราเราันบอกท่านพุทธชาเราขึ้นไปปีนขึ้นต้นเฉยๆก็หล่นลงมาแล้วยังไม่ได้เขย่าเลยถ้าเป็นทุกข์บางอย่างน ะ, ะเล่า หมดไปบุรีหมดไปความโลภความโกโรธความหลงถ้าจะถ้าจะมี <c oughs> ก็อยู่ในกำมือแต่าวางอย่างมันรีบไปเลยมันบะเขียบระเขียบหลอดโดยจะตะเขียบหลอดอะปะ เอามาอ่าบเขียบมันหลอดบรหะสันมันดอกมันบม่มีค่าแล้วไม่มีค่าแล้วแต่ว่ามันเป็นยานะบเขียบหลอดนอยจากมัน ย, ยาะบเขียบหลอดเวลาเป็นฝีเป็นฝีเป็นตุ่มเป็นฝีแดงแดงแถ้าเป็นหนองอ่ะไม่ต้องไปหาหมอก็ได้ไม่ต้องไปหาหมอไปเที่งไม่ต้องหาหมอุนทะเลหรอกเอาบวเขียบหลอด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 อะไรที่มันหลุดไปก็รู้แล้วมันพ่นไปพ่นไปพ่นไปพิสูจรได้ไปต่างเก่าพุ่งพ้นเพราวะว่าเดิมพว่งพ้นเพราะว่าดำเดิมหลุดไปหลุดไปหลุดไปอย่างนี้นะไ่ใช่ไปจำเอาไปคิดเอาคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนี้คาว่าคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนี้ไม่มีดอกวิชากรมาฐานนี่แต่ว่าเห็นแล้วรู้แล้ว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 เห็นความหลงก็ไม่มีไม่มีรอบสองหลงแล้วหลงอีกไม่มีไปได้เลยครั้งเดียวอแล้วโกรธก็แป๊บก็ไปได้แล้วถ้าทุกข์ก็แป๊บก็ไปได้แล้วครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวมันหลงเพื่อลู่มันทุกข์เพื่อลู่มันโกรธเพื่อลู่อะไรก็ตามมันเพื่อลู่เพื่อลู่เพื่อไม่มีเพื่อไม่เป็นเพื่อความหลุดพ้นมันไปแบบนี้นะปฏิบัติธรรมนะไปใช่ไปจําไปคบไปคิดเอา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 ไปทุกหมดไปจากชีวิตขนส่งเป็นพลังมากเลยเอา้ามีสติเข้าไปมีสมาธิมีปัญญาไม่สิ้นเข้าไปอุย้ยเหมือนกับพลังแห่งอะไรต่างๆขนส่งน้ำหนักที่มันเท่าไรเท่าไรก็กยกออกยกออกยกออกสิ้นมาช่วยสมาธิมาช่วยปัญญามาช่วยสติมาช่วยยานปัญญาเยอะแยะไปหมดเลยไม่จนไม่จนไม่จน ไม่จนเรื่องของความหลงไม่จนเรื่องของความทุกข์ไม่จนเรื่องโลกโลกรไม่จนวิววิวเลยเบาวิ ว, วเลยนะมันมีพลังพลังปัญญาพลังญาติวิปัสสนาญาณมันขนส่งยกออกยกออกเลยนะแม้นมันมีอยู่มันก็ยกได้เพาะมในกาลังยกออกยกออกไม่มีใครให้ไปแค่อยู่ ถ้าหลงก็ไม่ได้แค่อยู่ทุกข์ก็ไม่ได้แค่อยู่คนที่เป็นผู้ปฏิบัปธรรมมีวิปัสนาญาณแม้ยังมีโกรธมีหลงมีโลภมีทุกข์อยู่เขาก็ขนเป็นขนออกเป็นขนออกเป็นไม่ให้ข้างขาไม่ให้เป็นการบ้านไอ้ข้ามวันข้ามคืนราะวันขนออกเป็นไม่ให้ไปแค่อยู่ตรงนั้นนะเรียกว่าชีวิตเดี๋ยวเราได้ชีวิตแต่มัน ความทุกข์หรือว่าถ้าไม่มีชีวิตแล้วชีวิตคือมันขนขนห อ, อกได้ชีวิตเหมือนเก่าได้ชีวิตเหมือนเก่าเอาชีวิตขึ้นมามันหลงก่อรูเขึ้นมามันทุกข์ก่อรูเขินมาเรียกว่าได้ชีวิตมีชีวิตชีวิตแบบนี้แหละเป็นชีวิตที่ไม่เกิดไม่แก็ไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายเนี่ยถ้าเป็นมากเป็นผลก็ไม่แบบนี้อ่มันเป็นมากเป็นผลมันหลงก่อ ทำความรงให้เกิดความรู้หรือว่ามักผลกําลังทําความรู้สึกตัวเป็นเป็นมกักเป็นผลอยู่ยกมือสร้างแก้ว่าอิยาที่ยกมือก็เป็นมกักยกมือขึ้นรู้สึกตัวเป็นผลยกสองข้างก็รู้สองข้างก็ลอยข้างฟันหนนก็รู้ลอยข้างฟันหนนเนี่ยนะเป็นมกักเป็นผลทันทีปฏิบัตทิทำตามแบบสติปัฏฐานมันเป็นมกักเป็นผลทันทีนะ ไม่ได้รอเลยนะได้สร้างความรู้ก็ได้ความรู้อย่างเวลาได้มันหลงก็สร้างเป็นความรู้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นมักเป็นผลทันอกทันใจแ น, น่นะไม่รู้ฟังไหมฟังไหมรู้ไหมรู้ทำไมไม่รู้ผู้ปฏิบัติธรรมก็พูดเรื่องเราทำอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละไม่ได้พูดเรื่องอื่นพูดเรื่องงานการที่เราทำอยู่นี่ผู้ใหม่ผู้เก่าจบ แ, แล้วผู้เก่าก็ พวกเขาก็ไม่มีครับว่าทำไมทาไมพวกเขาก็รู้แล้วรู้แล้วพวกใหม่ก็ยังทำไมอย่างเออทาไมทาไมไปอย่างนั้นทำไมก่อนเปนอย่างนั้นเวลามันหลงเอาทาไมมันจึงหลงเนาะมาหาตัวเองที่มันหลงเวลามันหลงเราอยู่อย่างไหนเมื่อกี้เนี่ยเราเราคิดไปโน่นโ อ, อ้ก็เลยไปหาลอยนกจับไม้นกจับกิ่งไม้มันไม่มีรอย ต่ไปหา ม, มันเสียเวลาลู้ทันทีลู้ทันทีเนี่ยเป็นอย่างนี้การปฏิบัติธรรมเนาะอา้าก็สมควรใช้เวลาสำหรับวันนี้เนาะกับพระพร้อมกัน